ความทุกข์เกิดที่จิตเพราะเห็นผิด เมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะท่านพุทธทาสพิขุ การสอนคนมีวิธีการสอนด้วยหลายวิธีที่ยกันบางดีเราก็ใช้วิธีการพูดให้ฟังอันนี้ก็เป็นการสอนทําตัวอย่างให้ดูอยู่ให้เห็นหรือจะเย็นให้ได้สัมผัสอันนี้ก็เป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่งสิ่งเราสามารถที่จะสัมผัสได้การพูดให้ฟัง การทำตัวอย่างให้ดูด น, นี่สำคัญมากเป็นการชี้ให้ทำต่างกันนะพูดให้คิดกับชี้ให้ทำอย่างเมื่อกี้เนี่ยมีคําขึ้นต้นที่ว่าความทุกข์อยู่ที่จิตเพราะทาผิดเมื่อผัสสะพาทีเราก็สงสัยผัสสะนี่มันหมายถึงอะไรผัสสะเนี่ยก็คือการกระทบต้องมีตา กระทบกับรูปที่มากระทบทางตาแล้วก็มีวิญญาณคือจกักรุประสาทเนี่ยที่กระทบกันแล้วเนี่ยก็เกิดวิญญาณคือการรู้คือการเห็นทางตามีปราสาทตาด้วยแล้วก็มีรูปมากระทบทางตาแล้วก็มีการเกิดวิญญาณเห็นอันนี้จึงเรียกว่าผัสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้น ทางกายทางใจก็เป็นภาษะทางคือการกระทบถ้าเราขาดสติไม่มีสติในการกระทบแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยทางทวารใดก็ตามใจก็จะเป็นทุกข์เลยถ้ามีสติเมื่อไหร่แล้วก็ทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าขาดสติในการกระทบแล้วก็เกิดทุกข์ทันทีอันนี้ก็เป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่งซึ่งสอนแล้วก็ชี้ให้ทําให้ปฏิบัติได้ทันทีเลย ผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนานแล้ก็มีกัปธาชายในหนึ่งท่านฉลาดในการสอนคนสอนแบบผู้ให้ฟังแล้วก็ทําตัวอย่างให้ดูด้วยท่านก็ไปในที่ชุมชนที่มีคนผ่านไปมามากมายท่านไปหาพริกพริกขี้หนูเนี่ยพริกเผ็ดๆเนี่ยเอามาวางไว้เป็นกองๆรอบตัวเอาวางไว้วท่านก็ พริกทีละเม็ดเนี่ยขึ้นมาเคี้ยวแล้วก็ขายทิง้งหยิบพริกมาเคี้ยวแล้วก็ขายทิง้งมันต้อจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งเม็ดแล้วเม็ดเล่าที่ท่านเคี้ยวพริกแล้วก็ขายทิง้งจนน้ําตาเนี่เล็ดน้ํำลายไหลแต่ก็ยังไม่ท้อถอยนะก็ทําอย่างนั้นเลยไปคนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็นึกแปลกใจ ก็หยุดดูว่าเอ๊ะชายพู้นี้นี่เขาทําอะไรเนาะมานั่งเคี้ยวพลิกแล้วก็กลายทิ ink, ้งกลายทิ้งจากหนึ่งคนที่มายืนดูนี่ก็กลายเป็นสองคนสามคนมุงดูกันเต็มเลยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะในสมัยนี้ก็มีมากใครทําอะไรแปลกๆนี่โอ้คนชอบไปยืนดูมันแปลกดิอยากจะรู้อยากจะรู้ก็มีชายคนหนึ่งนึกสงสัยว่าเนี่ไอ้คนนี้มันนั่งเคี้ยว เพื่ออะไรกันก็ถามว่าคุณคุณคุณทําไปทํำไมเนี่ยคุณทําอะไรอยู่เนี่ยชายคนนี้ก็ไม่ตอบอะ่ะก็หยุบพริกขึ้นมาแล้วก็เคียเค้ยวเียวแล้วก็ขายทิง้งน้ำหมูน้ำตาไหลอย่างนั้นแหละแล้วก็อีกคนนึงก็ถามว่าคุณทําเพื่ออะไรคุณจะบ้าหรือกระทาชายลายที่เคี้ยวพลิกนี่ก็บอกว่าอ๋อเรากําลังแสวงหาพริก ที่มีรถหวานน่ะนี่เป็นการสอนเลยนะเรากำลังแสวงหาพริกที่มีรสหวานท่านผู้ที่อยู่ใกล้สถานที่นั้นก็บอกว่าท่านจะบ้าเลยท่านจะหาพริกที่ไหนที่มีรสหวานน่ะมันไม่มีหรอกในโลกเนี้ยอ่าตรงนี้แหละกระทาชายอะไรนี้ก็เลยเลิกหยุดที่จะหยิบพริกขึ้นมาเคี้ยวถือการสอนเลยพวกท่านก็เหมือนกัน สอนเลยนะท่านก็เหมือนกันเนี่ยท่านมุ่งแต่จะแสวงหาความสุขซึ่งความสุขในโลกเนี่ยมันก็ไม่มีเหมือนกันนะมันก็เหมือนอย่างกับเราเนี่ยนั่งเคียวพริกเพื่อจะหาพริกที่มีรสหวานในโลกเนี่ยมันไม่มีหรอกความสุขอนะเชิญท่านแสวงหาไปเถอะท่านไม่มีมันเจอเออันนี้เราเป็นการสอนน่าคิดนะก็ท า, าชายอะไรเนี่ยฉลาดในการที่จะสอนคน ซึ่งเราเองก็เคยได้ยินได้ฟังว่าพระธถรอ ง, เ, อองเนี่ยท่านก็ตรัสสอนเรื่องนี้เหมือนกันท่านบอกว่าในโลกเนี่ยไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรดับไปอันนี้เป็นสัจธรรมแสดงว่าความสุขเนี่ยไม่มีหลอกในโลกมันมีแต่ความทุกข จะมีทุกมากทุกน้อยเท่านั้นเองถากว่ามีความสุขแสดงว่าทุกขมันน้อยสุขขะแปลว่าทนง่ายทุกกะแปลว่าทนได้ยากสุขไม่มีมีแต่ทุกน้อยลงไม่เหมือกับอุณหภูมิความร้อนเนี่ยมีแต่ร้อนมากร้อนน้อยความเย็นไม่มีนะมีแต่ร้อนมากร้อนน้อยถ้าร้อนน้อยแล้วก็เย็นยถือว่าเย็นอันนี้ถือว่าเป็นสัจธรรมเหมือนกัน เป็นวิธีการสอนเพราะว่าพระเจ้าองค์ท่านจะทรงแสดงว่ากายกับจิตเนี่ยที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์เธอจะต้องคอยแก้ไขต้องคอยเยียวยาต้องคอยดูแลเขาอยู่เรื่อยๆเป็นภาระกายจิตเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์ถ้าเราสามารถที่จะปล่อยวางกายปล่อยวางจิตได้เมื่อไหร่แล้วก็ ความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้นเลยอันนี้เป็นวิธีการการจะปล่อยวางกายปล่อยวางกิตในนั้นเราต้องมีการปฏิบัติรร ม, มีการจเจริญสติทุกข์ใจก็จะหมดไปถึงแม้ว่าทุกๆ ท, ท่านเนี่ยจะต้องดำเนินชีวิตอยู่ในกองทุกนี้แล้วก็ไม่เป็นไรนะเรายังมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้มีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะออกจากความทุกข์ได้ ถ้าเราใช้ชีวิตแบบไม่สร้างเหตุของความทุกข์คือความโลภความโกรธความหลงตัณหานี่แหละก็คือเป็นที่มาแห่งความทุกข์ถ้าเราอยู่ด้วยการลดละตัณหาลดละกิเลสได้เมาหล่แล้วก็ทุกข์มันก็จะคลายลงเหมือนกันจะกลายเป็นความเย็นจากร้อนกลายเป็นเย็นได้เหมือนกันแต่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบสร้างเหตุของความทุกข์ คือโลภให้มากเขาไว้โกรธให้มากหลงให้มากเนี่ยทุกขมันก็จะเกิดขึ้นที่จิตใจเราไปจนตา ย, ยแต่ถ้าเราอยู่แบบปฏิบัติธรรมมีสติลดละเหตุตังความทุกข์ในใจิตใจได้ไปแล้วก็ความเย็นอกเย็นใจก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นความสุขก็ได้สมมุติเรียกว่าคือความสุขคือความเย็นอกเย็นใจพราะทุกมันคลายไปจนกระทั่งหมดซึ่งในชีวิตประจำวันเนี่ยเราสามารถทําได้ ทำได้เดี๋ยวนี้เลยนะเพียงแต่ขอให้เราย้อนกลับมาดูตัวเราให้เรารู้จักพอใจสักหน่อยพอใจในสิ่งที่เรามีพอใจในสิ่งที่เราเป็นพอใจในงานที่เราทำพอใจในผลของงานพอใจในสิ่งตอบแทนค่าตอบแทนที่เราได้รับแค่เรามีความพอใจเนี่ยใจเราก็จะเริ่มมีความสุขละบางทีก็ต้องยอมรับรู้จักยอมรับ สุขภาพในความมีความเป็นของเราเราเกิดมามีร่างกายเป็นแบบนี้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความพิกลพิการเราจักยอมรับซนะอ๋อมันเป็นเรื่องธรรมดานะการยอมรับเนี่ยทำให้ใจี่มันผ่อนคลายยอมรับในงานที่เรากระททำบางทีงานที่เราทำเนี่ยมันเป็นงานสุดจริตแต่ใจเราไม่ชอบถ้ามันสุดจริตแล้วก็ออดีแล้วรู้จักยอมรับ เราก็จะทำงานแบบมีความสุขได้เหมือนกันงานสุจริตไม่เบียดเบียนใครเด็ดร้อนได้ค่าตอบแทนเพียงแค่นี้อ้เรายอมรับไปซะใจมันก็จะมีความสุขอันเนี้ยมันช่วยเราได้บางทีเราต้องรู้จักปล่อยวางปล่อยวางสิ่งที่มันค้างคาใจความโกรธความหงุดหงิดความไม่พอใจอึดอัดขัดเคืองที่ใดก็ตามบุคคลใดก็ตาม ที่มันทำให้เราไม่สบายใจแล้วก็เรารู้จักปล่อยวางสช่ไหมมันเป็นสิ่งค้างคาใจเป็นอารมณ์ที่เราติดยึดอยู่เราลองปล่อยวางดูสักบ้างดิใจเราก็จะสบายนะพอมาสบายมันก็มีความสุขในน้อยๆอในจิตใจเรารู้จักให้อาภายัยไม่เป็นไรหรอกเรื่องแกนี้ไม่เป็นไรหรอกให้อาภายัยซะให้อาภัยแล้วเนี่ยใจเรามันก็จะเย็นลงเลิกที่จะจับตาดูผู้อื่นสับ้าง บางทีเราหาความสุขไม่ได้ดเพราะว่าเรามุ่งแต่จะจับตาดูผู้อื่นจับผิดผู้อื่นการจับตาดูผู้อื่นค้นหาความผิดของคนอื่นเนี่ยชีวิตเราจะไม่มีความสุขเลย <S <S เป็นทางตันของชีวิตเลย <S <S เพราะว่าถ้าเราจับตาดูใครก็ตามถ้าเขาทําความดีบางทีเราก็อิจฉาเขาใช่ไหมเราจะจับผิดเขาเนี่ยแต่เขาทําความดีนี่อิจฉาเขาอิจฉาเนี่ยใจเราเนี่ย จะไม่มีความสุขก็จึงเรียกว่าอิจฉาตาร้อนแล้วมันจะนอนไม่หลับแล้วก็ไม่มีความสุขถ้าว่าเขาทำความผิดทำความชั่วเราไปจับตาดูเขาบางทีเราสมน้หน้าเาัาบางทีเราหงุดหงิดสมน้ำหน้ามันไม่ดีหรอกไปจับตาดูคนอื่นจับปิดคนอื่นเราจะไม่มีความสุขเลยสู้เราหันมาจับตาดูตัวเราดูกายดูใจเราด้วยสติรู้เท่าทันปัญหา ที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจเรารู้เท่าตันปัญหาที่มันค้างคาใจเราแล้วก็ละเหตุของปัญหานั้นซะละที่เหตุเลยปัญหามันก็จะค่อยๆหมดไปหมดไปเห็นไหมเหมือนไฟที่มันลุกโชนแต่เราค่อยๆเอาเชื้อไฟออกซะไฟนั่นมันก็จะดับลงเราก็จะใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสงบเย็นเป็นความสุขหละสุขในทางธรรมสุขในทางธรรม เป็นความสุขอย่างยิ่งเลยสุขสงบเย็นเป็นความสุขที่เกิดจากจิตไม่มีกิเลสเนี่ยโอ้นี่ยเป็นความสุขที่แท้จริงเลยเรีวยว่าเป็นไวความสุขสูงสุดกะว่าได้ผู้ที่จะสแสวงหาความสุขเนี่ยอาจจะพบได้ถ้าเราปฏิบัติตัวเองให้ถูกต้องเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยเกิดมาในกองทุกข์ถ้าว่าเรารู้จักสแสวงหาความสุขในกองทุกข์นี้ได้แล้วก็จิตใจเราก็จะผ่อนคลายนะ จะสบายความสุขเนี่ยสามารถที่เรียนรู้ได้จากความทุกข์ผมยังเคยชอบที่หลวงพ่อพุทธทาสได้พูดไว้เสมอว่านิพพานเนี่ยเราหาได้จากวัฏฏะสงสารนะิพพานมีได้ในวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารก็คือการเวียนว่ายตายเกิดกงกรรมกงเกวียนแห่งกองทุกข์แต่ว่าในการเวียนว่ายตายเกิดนั้น มีนิพพานอยู่ในนั้นด้วยนะถ้าเราหาดูดีๆคือแนวตัฏสงสารเพราะฉะนั้นเราตักสแสวงหาความสุขถ้าเรายังมีความทุกข์อยู่ไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสที่จะออกจากทุกข์ได้ใยการมาปฏิบัติธรรมนี่แหละเรายังไม่ผิดหวังยังไม่ท้อแท้จนเกินไปแล้วก็เราจะสมหวังก็ได้อย่าท้อแท้อย่าท้าทอทถอยในการที่จะดําเนินชีวิตเพื่อชีวิต้มีความสุข เรามีโอกาสเป็นอย่างนั้นได้แม้ว่าก็ทาชายในหนุ่มคนนั้นบอกว่าความสุขไม่มีหรอกมันมีแต่ความทุกข์ดูสิพริกแต่ละเม็ดเนี่ยมันมีแต่ความเผ็ดความร้อนกินไปก็เผ็ดร้อนน้ำตาเล็ดน้าลายไหลแต่น่เมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้นี่พริกที่หวานเนี่ยมันก็มีนะเห็นไหมเนี่ยไม่น่าเชื่อนะเนี่ยพริกเนี่ยโอ้เม็ดใหญ่ซะด้วยหวาน ทานแล้วอร่อยเนี่ยมันก็ยังมีได้นะเพราะฉะนั้นพริกไม่จ้อเป็นต้องเผ็ดร้อนเสมอไปหรอกพริกที่หวานมันก็ยังมีเหมือนกันที่เดียวกับแม้ว่าเราอยู่ในความทุกข์ก็ตามเวียนว่าตายไปเด็ดในกองทุกข์ก็ตามก็ยังมีนิพพานซ่อนอยู่ในสิ่งนั้นเหมือนกันซึ่งมีอยู่ก่อนทุกข์ในซ้ำไปดังที่พระองค์ท่านตรัสเป็นพุทธภาษิตได้ว่านิพพานดังประมังสุขขังนิพพาน เป็นสุขอย่างยิ่ง